ผู้สนใจใส่ใจที่ท่านครับวันนี้จริงๆแล้วผมตั้งมาตั้งใจที่จะมากราบอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มซึ่งอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่งดงามแม้ว่าร่างกายของท่านจะพิการเขาเรียกว่าพิการกายแต่ไม่พิการใจเหตุที่อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มท่านไม่ได้พิการใจเพราะท่านเป็นผู้ฝึกใจ ฝึกใจไม่ให้พิการสิ่งที่ผมประทับใจก็คืออาจารย์เป็นแบบอย่างแม้ว่าร่างกายท่านจะทำอะไรได้ไม่มากเหมือนกับพวกเราปกติท่านจะมาเดินจงกรมแบบพวกเราก็ไม่ได้ท่านจะมานั่งสมาธิก็ไม่ไหวแต่สุดท้ายเมื่อท่านจะอยู่ในอิริบทใดๆก็ตามที่ท่านสามารถอยู่ได้ท่านก็สามารถที่จะฝึกเจริญสติได้ฉะนั้นสติจึง่าน สติจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนพระพุทธองค์ทรงตรสอนพวกเราว่าการเริ่มต้นของการเจริญกุศลกุศลทุกกุศลจะต้องเริ่มต้นด้วยการมีสติการให้ทานก็ต้องมีกุศลหากไม่มีสติการให้ทานก็ต้องเริ่มต้นที่มีสติในการให้ทานหากไม่มีสติในการให้ทานการให้ทานนั้นก็จะทำท ำ, ทำทานแบบงมงายก็ได้ หรือทํางานทําทานแบบหมดเนื้อหมดตัวก็ได้ทั้ขาดสติการที่เราจะรักษาศีลก็จะต้องมีอินทรีย์สัมพลวมก็คือจะต้องมีสตินั่นเองการจเจริญสมถะให้จิตสงบก็ต้องอิงอาศัยสติการจเจริญที่ปัศนาเพื่อให้เกิดปัญญาพาให้พ้นทุกข์ก็ต้องเริ่มต้นด้วยสติสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสอนให้เราจเจริญสตินั่นก็คือการจเจริญสติปัฐานสี เป็นถสิ่งที่น่าสังเกตนะครับว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ทรงตรัสว่าสมาธิปัฏฐานสี่ทำไมพระองค์ไม่ทรงตรัสไ้ว่าปัญญาปัฏฐานสี่แต่เหตุไฉนพระองค์ทรงตรัสว่าสติปัฏฐานสี่เพราทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่สติก่อนหากสติไม่มีอย่าได้พูดถึงเรื่องสมาธิหากสติไม่มีสมาธิไม่มาอย่าได้พูดถึงเรื่องปัญญาเพราะเกิดไม่ได้ เหตุใกล้ที่ทําให้เกิดสติเพราะจิตจดจําสภาวธรรมได้อย่างแม่นยําเมื่อจิตจดจําสภาวธรรมได้อย่างแม่นยําสติอัตโนมัติสติตัวแพ้ก็จะเกิดขึ้นและลึกรู้สภาวธรรมได้ด้วยตัวเขาเองในขณะเดียวกันเมื่อเราฝึกเจริญสติบ่อยๆสติเป็นกุศลกุศลมีผลทําให้เกิดความสุขเมื่อเกิดความสุขได้บ่อยๆเหตุใกล้ที่ทําให้เกิดสมาธินั่นก็คือความสุขนั่นเอง สมาธิมีเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดก็คือความสุขอันได้จากสติในขณะเดียวกันสมาธิจู่ๆจะเกิดขึ้นเองไม่ได้สมาธิมีเหตุใกล้ให้เกิดเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดปัญญานั่นก็คือสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองท่านจะมองเห็นไว้ว่าการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นที่มีสติ พอมีสติได้บ่อยครั้งความสุขก็โฉยขึ้นมาในจิตได้บ่อยครั้งขณะที่มีความสุขเกิดขึ้นบ่อยๆความสุขก็เป็นเหตุใกล้ทำให้เกิดสมาธิและเมื่อมีสมาธิจิตตั้งมั่นบ่อยๆสมาธินี้เองก็จะเกื้อกูลและเป็นเหตุใกล้ทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของสภาวธรรมที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีคาว่าเกิดขึ้นจะมีคาว่าตั้งอยู่จะมีคาว่าดับไป เพราะทุกอย่างมันตกอยู่ภายใต้กฎไตร ล, ลักษณ์คืออ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังไม่ทนอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งเหล่านี้นี่เองเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสสอนและครูบาอาจารย์ท่านก็ได้นําคําสอนของพระเจ้ามาถ่ายทอดบอกกล่าวกับพวกเรารวมทั้งท่านอาจารย์กําพลทองบุญนุ่ม น, นี้ด้วยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาก็ได้มาพบพระ อ, อาจารย์มหาดิเลกนะครับซึ่งได้มีโอกาสพกท่านตอนที่ ท่านให้เกียรติเชิญไปที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปแนะนําการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานนะครับสําหรับญาติธรรมที่เป็นชาวไทยและก็ชาวลาวที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบท่านแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้จะต้องขึ้นมาพูดธรรมตัง้งใจที่จะมาฟังธรรมมากกว่าที่จะมาเป็นผู้แสดงธรรมแต่อย่างไรก็ตามนะครับในฐานะที่อาจารย์กําพลทองบุญนุ่มท่านก็เป็นนักภาวนา และเป็นตัวอย่างที่ภาวนาได้ดีพวกเราเองก็จะได้เกิดกำลังใจร่างกายของเราเนี่ยดีกว่าท่านเยอะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติทำได้ให้ทุกๆ ท, ท่านได้มองอย่างหนึ่งว่าสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามที่เกินความสามารถที่มนุษย์จะฝึกได้เกินศักยภาพที่มนุษย์จะฝึกไหวพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงตรัสสอนสิ่งนั้นเลย นั่นหมายความว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ทำได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะมีวิริยะความเพียรหรือเปล่าหากเรามีความเพียรประจำสม่ำเสมอความเพียรที่เพียรได้ถูกต้องถูกทางเป็นสมาธินั่นเองก็จะทำให้เราเข้าถึงความหลุดพ้นหรือความพ้นทุกข์หรือการสิ้นทุกข์ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐนัก ท, ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ 1>, 1. ได้พบพระพุทธศาสนา 2. ได้มีอายุที่ยืนยาว 3. ได้เกิดเป็นมนุษย์คือคือผมมองว่าพรที่มนุษย์เราควรจะได้รับนะครับก็คือ 1. ได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. มีอายุที่ยืนยาว 3. ได้พบพระพุทธศาสนา 4. ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นี่คือความประเสริฐในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เราพึงจะได้รับ แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวพุทธชาวไทยเราเนี่ยมักจะได้พรเพียงแค่3ประการประการที่1ได้เกิดเป็นมนุษย์ประการที่สองได้มีอายุที่ยืนยาวประการที่สได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาแต่ประการที่สหาน้อยนักที่จะได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์มีอัตภาพที่เหมาะควรในการฝึกปฏิบัติก็อย่าละเลยโอกาส นาทีทองของชีวิตโอกาสที่จะมีคำสอนของพุทธเจ้ามาให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติไม่ใช่ง่ายๆแม้ว่าเราตายชาตินี้มีโอกาสเกิดชาติหน้าเกิดชาติหน้าก็ไม่แน่ใจว่าจะได้พบพระพุทธศาสนาหรือไม่แม้ว่ามีโอกาสได้พบก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีผู้มาสอนหรือเอาคำสอนพูพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้เราได้รู้ได้เข้าใจหรือเปล่าในขณะเดียวกันณนะวันนี้ คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังทรงมีอยู่ครบครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีให้เราได้แลเห็นได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เราได้กราบได้ว่าอย่างสนิทใจ คำสอนของพู้เจ้าก็ยังอยู่ผู้บรรลุธรรมเข้าถึงธรรมหมดทุกสิ้นทุกขก็ยังมีให้เราได้แลเห็นหากเราไม่ฝึกเพียรปฏิบัติตอนนี้ก็ไม่รู้จะฝึกตอนไหนอย่าง น, น้อยพบชาตินี้ที่เรามีความเพียรในปตฤกตการปฏิบัติแม้ว่ายังไม่ได้สิ้นทุกดับทุกโดยสิ้นเชิงท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยความทุก์มันลดลงความทุกขจะค่อยลดลดลงจะเป็นความสุขที่มหัศจรรย์เป็นความสุขที่ไม่ได้อะไร เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรแต่เป็นความสุขที่ความทุกข์ลดลงเห็นไหมครับแม้ว่าจะไม่หมดทุกสิ้นทุกแต่ก็ยังเป็นอุปนิสัยอย่างน้อยๆเกิดพบหน้าชาติหน้าก็ยังมีอุปนิสัยมีอัธยาศัยที่ในการภาวนาจะเกิดอยู่ที่ไหนก็ตามหากเราฝึกอุปนิสัยแบบนี้บ่อยๆครั้งข้าวเมื่อได้มีโอกาสเจอเจอคาสอนเจอเจอบันบิตรู้ เจริญกรรยะมิตรกรรยานธรรมเราก็จะได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านก็ยังมีโอกาสที่จะมีเชื้อในการที่จะฝึกต่อได้หากภพชาตินี้เราเกิดมาแล้วไม่ใช่โอกาสนาทีทองของชีวิตมันก็เป็นการเกิดที่น่าเสียดายน่าเสียดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์และไม่มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติมีคํากล่าวของชาวต่างประเทศซึ่งเป็นคำกล่าวที่น่าคิดนะครับเขาบอกว่าคนต่างชาติเขาบอกว่า คนไทยเป็นคนที่โชคดีที่สุดโชคดีที่สุดที่ได้เกิดแต่แล้วอยู่ในเมืองพุทธศาสนาแต่คนไทยเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดที่พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่สนใจศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าหลังเนี่ยท่านเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลท่านมาบ้านเรามาเมืองไทยเนี่ยท่านมาเอาแก่นธรรมกลับไป แต่ส่วนคนไทยอยู่เมืองพุทธแท้ๆแก่นธรรมมักไม่เคยได้มักจะได้เปลือกไปมากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดมาก้ฝรั่งบางข้าเนี่ยท่านเป็น พ, ะพระฝรั่งท่านมาอยู่เมืองไทยท่านไม่รู้ภาษาไทยแต่ท่านจะต้องมีวิริยะอุตสาหะค่อนข้างมากกว่าพวกเราในการที่จะศึกษาเรียนรู้แต่สุดท้ายท่านก็สามารถนําแก่นธรรมไปสู่ชีวิตของท่านพัฒนาชีวิตของท่านได้พวกเราเป็นผู้ที่มีโอกาสแล้ว มาทีทองของชีวิตก็มาแล้วคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ที่สอนสั่งเราทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจก็มีไม่น้อยในประเทศไทยท่านใดที่ถูกอธิยาศัยแนวทางใดก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีเพราะว่าสุดท้ายครูบาอาจารย์ก็น้อมนาคำสอนของผู้เจ้ามาบอกกล่าวให้กับพวกเราได้ศึกษาเรียนรู้เพียงแต่อุสโลบายของแต่และครูบาอาจารย์นั้นอาจจะแตกต่าง แตกต่างในเรื่องของอุบายยุธีแต่เรื่องหลักการนี้ไม่ได้แตกต่างกันหลักการที่สำคัญก็คือให้เห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงชีวิตนี้เป็นทุกข์เพราะมันถูกการบีบคั้นอยู่เสมอทรงอยู่สภาพเดิมนานา น, า น, นั้นไม่ได้ชีวิตนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะบังคับบัญชา ให้เป็นไปดังใจปราถนาไม่ได้นี่คือหลักแห่งการเจริญที่ศาสนาให้เราได้เห็นสภาวธรรมทุกๆสภาวธรรมอันเกิดขึ้นที่กายที่ใจนั้นเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนี่ก็คือหลักที่พระเจ้าทรงวางและให้เราได้เดินตามรอยบาทองศ า, ศาสดาไว้เมื่อเรารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วคําสอนพระพุทธเจ้าก็สรุปรวมอยู่ที่ว่าสักเพสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหากเรายึดมากก็ทุกข์มาก ยึดน้อยก็ทุกน้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกแต่การที่เราจะบอกอย่ายึดสิอย่ายึดสิพูดได้แต่ทายากเทเบลจิงพูดง่ายทํายากเพราหนึ่งจะบอกว่าไม่ยึดไม่ยึดนะ่ะไม่พอเราจะต้องให้ศึ ก, ศกษาเราจะต้องศึกษาให้จิตเขาเริเรียนรู้ความจริงถามว่ามนุษย์เราต้องการอาหารถามว่ามนุษย์ต้องการอาหารกี่ทางส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่ามนุษย์ต้องการอาหารสองทาง แต่ผมขอเพิ่มอีกสักหนึ่งทางมนุษย์เราต้องการอาหาร3ทางอาหารทางที่1คืออาหารกายอาหารกายก็คือคําข้าวที่เราบริโภคที่เรารับประทานเข้าไปนี่คืออาหารของร่างกายอาหารที่สองนั้นคืออาหารสมองอาหารสมองก็คือความรู้ที่เราริ่มเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเรียนรู้จบปริญญาตรีโทเอกสุดท้ายก็เอาอ า, เอาวิชาชีพที่เราเรียนจบนั่นแหละไปทํามาหารเลี้ยงชีวิต เพื่อที่จะหาเงินมาซื้อข้าวกินสุดท้ายก็มาเบี้ยงส่วนที่กายมากกว่าอาหารที่สามนั้นก็คืออาหารใจสำหรับอาหารใจนั้นคืออะไรอาหารใจนั้นคือคุณธรรมอาหารใจนั่นคือศีลธรรมและสุดยอดของอาหารใจนั้นก็คือธรรมะที่ทำให้เราสิ้นทุกข์พ้นทุกข์ดับทุกข์ได้นั่นคือสุดยอดของอาหารของใจเราลองสารวจตรวจดูสิครับว่าในชีวิตของเราเองเนี่ย ในบรรดาอาหาร3ส่วนนี้เราให้อาหารส่วนไหนมากที่สุด 1. ส่วนกาย 2. อาหารสมอง3และอาหารใจท่านคิดว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ให้อาหารส่วนไหนมากที่สุดครับตายเนาะเราให้อาหารกายมากที่สุดแล้วรองลงมาก็คือให้อาหารสมองถูกไหมครับอาหารสมองเราเริ่เรียนทางวิชาการทางลวกมากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่เราละเลยนั่นคืออาหารใจ อาหารใจเราให้เขาน้อยมากนะครับให้เขาน้อยมากโอกาสที่เราจะมาฟังทำปฏิบัติธรรมในหนึ่งปีเนี่ยก็ไม่ ม, มีมีผมแต่คิดว่าแต่ละท่านก็คงมีไม่มากนะักขออนุญาตเรียนถามนะครับถือว่าเราพูดคุยกันเล็กน้อยท่านผู้ใดเข้าปฏิบัติธรรมทุกเดือนเลยครับช่วยกรุณายกมือขึ้นหน่อยสิครับไม่มีนะครับท่านผู้ใดสามเดือนหนึ่งครั้งครับไม่มีนะครับท่านผู้ใดหกเดือนครั้งหนึ่งครับเข้าคอร์สปฏิบัติ มีบ้างท่านผูใ้ใดปีละหนึ่งครั้งครับอยู่นะครับท่านจะสังเกตว่าในหนึ่งครั้งที่เราเข้าคอร์สปฏิบัตินี้กี่วันครับกี่วันครับเจ็ดวันนะครับเจดวันผมให้ท่านเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกเดือนเจ็ดวันสิบสองเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับแ4สิบสี่ในหนึ่งปีมีกี่วันครับสามร้อยกสิห้าวันลบออกแต่ิสี่เหลือเท่าไหร่ครับ 200กว่านั้นไปทําอะไรครับเราจะสังเกตเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอาจจะมองว่าการปฏิบัติธรรมอยู่เพียงแค่คอสปฏิบัติเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วการเข้าปฏิบัติธรรมในคอสปฏิบัติธรรมทำให้เป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์นะครับประโยชน์อันดับแรกคือหนึได้รู้หลักแห่งการปฏิบัติ 2. ได้รู้วิธีแห่งการเข้าถึงหลักนั้น 3. ได้รู้กุศโลบายของครูบาอาจารย์ที่ชั้นชี้แนะ ให้เข้าถึงหลักนั้นได้ 4. ีได้มีโอกาสใกล้ชิดครูบาอาจารย์เวลามีข้อสงสัยสามารถที่จะได้ไต่าถามได้แต่หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วจะต้องนำไปฝึกฝนในชีวิตประจำวันจึงมีคำกล่าวว่าหากใครแยกการปฏิบัติธรรมออกจากชีวิตประจำวันอย่าได้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเลยเพราะเหตุว่า เราจะอยู่ในคอสปฏิบัติธรรมในหนึ่งรอบปีนี่น้อยมากแต่ในชีวิตประจําวันนี้เราจะมีมากฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีในทั้งรูปแบบและไรรูปแบบคําว่าไรรูปแบบก็คือจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับถ้าหากเราฝึกควบคู่กันไปทั้งรูปแบบและไรรูปแบบด้วยการพัฒนาของการปฏิบัติธรรมเราก็จะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งยิ่งเกินไปนะครับก็ คิดว่าพูดไปหลับหลายๆท่านก็อยู่ต่างจังหวัดหลายๆท่านก็อยู่กรุงเทพรวมทั้งตัวผมด้วยพระอาจารย์ก็จะต้องเดินทางกลับกรุงเทพจะได้ไม่มืดค่ําจืดเกินไปก็กราบขอทุกคนทุกๆท่านที่สนใจและตั้งใจฟังนะครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้โอกาสด้วยครับต่างสไตล์อาจารย์ ทิยุทธก็จะต้องมีเพลงประกอบเสมอเนี่ยงานนี้ถ้าเห็นว่าเป็นงานแถวมาสองเวทท่านหรือไ ม, ไม่ไม่มีเพลงประกอบขอนโมทนาสาธุใยความตั้งใจนะให้ทำแบ่งทาซึ่งก็แม้ใช้เวลาเพียงไม่มากแต่ว่ามีอรรถรสที่ชัดเจนแล้วก็เป็นหลักการที่เป็นสากลในทีเดียวนะก็ขอให้อาจารย์ทิยุทธจงเป็นก็เรียกว่าเป็น ศกเป็นธ ร, รมะโคศกเนา ะ, ะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกพุทธิย่าให้กับพุทธศาสนาตลอดไปตลอดทิงการสร้างเครือข่ายผู้ที่จะเป็นวิทยากรทางธรรมเลยนะให ม, มากขึ้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันได้รูกสิทธ่พิยพุทธธรรมแทนได้กี่คนแล้วไม่รู้นะาจะได้ไหลายคนเ น, น, น ข, อ ข, อขออาจารย์ทิยุตจงเดินทางปลอดภัยนะไม่มีอะไรที่มาทาให้ลาบากการเดินทางขอขอนุโมทนาผู้ลุงทางด้วยนะ สาธุก็แป้ว่าเราได้สั่งงาในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะที่สำคัญก็คือท่านบอกว่าเราให้อาหารทางกายเนี่ยหากันทั้งวันแต่ว่าอาหารทางใจไม่่อยให้อาหารสมองอาหารสมองคืออาหารทางความคิดเ่าอ่านเราศึกษาเรา หาความสนุกสนานให้กับสมองให้แก่ร่างกายตัวเองมากมายเพราะว่าการที่ติดเจของเราที่จะบันเทิงในธรรมเช่นทุจริต ม, มันจะถวายไัยธรรมกับพระสูงด้วยมนะันคือบั น, นโนดลับ <c oughs> ตรวจน้ำแล้วพร้อมเรียนงานนี้นะคุณผู้ชม <c oughs> ถวายแล้วก็รับพรตามประเพณีนะเกิดน้ำเออที่ส่วนกุศลให้กับบรรพุหลุดจะที่ให้าการตัําผลด้วยก็ไม่ว่ากันนะ grabbing. ก็ขอนบุนาสาธุในกุศลกิจที่ได้ถวายปัจจัยพยธรมเป็น ท, ทักษินยทานผลกุศลในนี้ก็จะเกิดแก่ผู้ที่ลงรับไปแล้วผู้ใดก็ตามที่ยัง มูลยังไม่เต็มเปี่ยมเมอได่อนโมธนามูลชนตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้น น, นั่ขออนโมธนาบุญกับจานทิยุทธและคณะที่ได้ถวายปฏิทินในวันนี้ก็ไปก็รับพรยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสารางังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานางังภุปกับปฏิอิชีตังปฏิตังตุมหังกิตเปเมวสมุเมชโต สเพปุเรนตุสังกปาจันโผปนารโสยถาณิจูติราสสยถายวิวาจานโดยสัปปะรโควินาสตุมาอวาดวันดราโยสุขีธีคายุโกะบาวะภิวา ลิสานจังวุฒาปชาญุชาตารุมาวาัาน์ทีอายุวนโนสุขัง อาลังอาญจะโคากินนาทินาสังฆมิส ja ุปติทิตาตารังหิตายาสานาโสอุปกาปิโสทิตาโมยจะอาญนิทาสิโตเปตานาปุวัาจักตา ลาภารันญะพีคูามนุปทินางตูมเหติปุญญาปสุตังอนาปัจาันติวตุสัพมังคารานุสาพะเทวตาสาพพุทธานุภาเวนัสตาโสถีพระวันตุเตปวตุสาพมัง ราคันตุสาปเทวตาสาพธรรมมานุภาเวนัสตาโสธีพระวันดุเตปวตุสาพมังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสตาโสที พระวันดูเตตตลำดับต่อไปนี้หลังจากที่เราได้ฟังรมกันเรียบร้อยได้ฟังเสวีเรียบร้อยแล้วต่อไปแล้วก็จะปฏิบัติบูชาธรมส่วนจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนั้นก็จะยิงเสียงละคังก็ถือว่าหมดเวลาแต่นี้ก็ให้ทุกคนตั้งใจนั่งภาวนาร่วมกันวยการสร้างจังหวะ มันอุก Yeah. <laughs>